พระพุทธศาสนาสอนให้ผู้ปฏิบัติได้บรรลุธรรมที่เรียกว่าโลกุตระธรรมคือธรรมที่จะทำให้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปโลกุตระธรรมนี้ก็มีอยู่สี่ขั้นที่เรียกว่ามรรคผลนิพพาน มัคสีผลสีขั้นที่หนึ่งเรียกว่าโสดาบันขั้นที่สองเรียกว่าสกิดาคามีขั้นที่สามเรียกว่าอนาคามีขั้นที่สี่เรียกว่าอารหรันผู้ที่จะบรรลุโลกุตรธรรมส่วนใหญ่จะเป็นพวกนักบวชกันผู้ที่เป็น ผู้ครองเรือนนี้ยังไม่สามารถที่จะบรรลุได้มีบ้างบางคนแต่ไม่มากเหมือนกับพวกนักบวชเพราะพวกนักบวชได้สะสมบุญบา ร, รมีมามากกว่าพวกที่เป็นผู้ครองเรือนนั่นเองผู้เป็นผู้ครองเรือนเช่นญาติโยมนี้ ไม่ค่อยมีโอกาสไม่ค่อยมีเวลาสร้างบุญบารมีกันเพราะมัวแต่หาเงินหาทองเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็หาเงินหาทองเพื่อซื้อความสุขต่างๆซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเลยไม่ค่อยมีโอกาสได้สร้างบุญบารมี พอมาพบกับพระพุทธศาสนาก็ไม่มีกําลังที่จะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างเต็มที่เพราะการจะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างเต็มที่จําเป็นต้องอยู่แบบนักบวชไม่มีภารกิจอย่างอื่นมาเกี่ยวข้องด้วย เพราะถ้ามีภารกิจมีการงานอย่างอื่นมาเกี่ยวข้องเวลาที่จะเอาไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลผนิพพานก็จะมีไม่มากพอดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะบรรลุมรรคผลผนิพพานจึงมักต้องออกบวชกันและผู้ที่จะออกบวชได้ก็ต้องมีบุญบารมีสนับสนุน เพราะการบวชไม่ใช่เป็นของง่ายบวชอาจจะง่ายแต่อยู่เป็นนักบวชนี่จะยากเพราะต้องรักษาศีลต้องฝึกสมาธิต้องเจริญปัญญาและต้องปรีกวิเวกต้องอยู่ตามลำพังต้องตัดการหาความสุขทางโลกไปให้หมด ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแม้แต่การกินการดื่มก็ต้องตัดถ้ากินหรือดื่มเพื่อความสุขให้กินหรือดื่มได้เพื่อเลี้ยงดูร่างกายเท่านั้นจึงเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนทั่วไปที่จะปฏิบัติตามได้คนที่ปฏิบัติตามได้นี้เป็นพวกที่เคยได้สะสมบุญบารมี ต่างๆมาก่อนแล้วจึงทำให้สามารถที่จะมาบวชได้ผู้ที่ยังบวชไม่ได้นี้ก็ยังมีโอกาสที่จะบวชได้แต่ต้องสร้างบุญบรารมีขึ้นมาบุญบรารมีที่ต้องสร้างก็มีหนึ่งทานบารมีเมตตาบรารมี ต้องมีความเมตตาสองต้องสร้างทานบา ร, รมีต้องมีการเสียสละแบ่งปันสต้องสร้างศีลบาลมีคือต้องละเว้นจากการกระทำบาปทั้งปวงสต้องเจริญเนคข ม, มะบาลมีคือต้องถือศีลของนักบวชหัดถือศีลของนักบวช ในวันพระอยู่จะให้เป็นนักบวชทันทีทันใดนี้ยังทำไม่ได้ก็ให้หัดเป็นนักบวชไปก่อนเป็นในวันพระอาทิตย์หนึ่งเอาสักหนึ่งวันก่อนมาลองถือศีลแปดศีลของนักบวช ด, ดูละเว้นการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่าในกข ม, มะการออก จากการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี่คือบารมีที่จะส่งที่จะผลักดันให้ไปสามารถออกบวชได้เป็นนักบวชได้เพราะนักบวชนี้จะต้องถือศีลของนักบวชต้องมีเนคข ม, มะบารมีพร้อมร้อยเปอร์เซนไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ แล้วก็ถึงจะได้ไปอยู่ตามลำพังได้ไปเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิเพื่อให้เกิดอุเบกขาบาลมีขึ้นมาแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดปัญญาบรารมีขึ้นมาพอได้ปัญญาบรารมีก็จะสามารถบรรลุ มักผลนิพพานทั้งสี่ขั้นได้ขั้นโสดาบันขั้นสกิดาคามีขั้นอนาคามีขั้นอรหันได้ถ้าได้ขั้นโสดาบันก็จะกลับมาเกิดไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากการเวียนว่ายตายเกิดจะเหลือไม่เกินเจ็ดชาติและไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้าได้ขั้นที่สองขั้นพระสกิฎาคามี ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพียงชาติเดียวถ้าได้ขั้นพระอนาคามีก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกของมนุษย์อีกต่อไปจะไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็จะบรรลุเป็นพระอารหันต์ตามลำดับต่อไปพอได้เป็นพระอารหันต์แล้วก็ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในไต้ภพอีกต่อไป ไม่ต้องเกิดในกามมาพบพบของมนุษย์ของเทวดาไม่ต้องเกิดในรูปภพบพบของพรหมไม่ต้องเกิดในอรูปภพบพบของรูปอรูปภพก็จะอยู่ที่พันธิพานาต่อไปนี่คือเรื่องของกำลังที่จะ ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดมากผลขึ้นมาถ้ายังไม่สามารถบวชได้ก็แสดงว่ายังขาดในขมมะบามียังไม่เคยถือศีลแปดมาก่อนถ้าถ้าถือศีลแปดไม่ได้ก็อาจจะถือศีลห้าไม่ได้หรือยังทำทานไม่ได้ยังไม่เคยทำบุญทาทานอย่างจริงจัง ทำแบบขอไปทีทำแบบาตามธรรมเนียมเช่นมีงานางานบวชงานอะไรก็ร่วมทำบุญกับเขาไปแต่ไม่ได้ทำเป็นแบบกิจจลักษณะต้องการที่จะเสียสละเงินทองเพื่อให้เกิดาบารามีขึ้นม า, าคนที่ทำบุญแบบสร้างบารามีนี้ จะเอาเงินทองที่มีอยู่ในส่วนใหญ่มาให้กับการทำบุญเพียงอย่างเดียวจะไม่เอาเงินไปเที่ยวไม่เอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยไม่เอาเงินไปซื้อของหรูหราต่างๆการที่จะทำบุญได้ทำทานได้ก็ต้องมีจิตที่เมตตาต่อผู้อื่นต้องมีไมตรีจิตต้องมีความปรารถนาดี อยากให้ผู้อื่นได้มีความสุขจากการกระทำของตนเนื่องจากตนมีความสามารถมีเงินทองที่จะทำให้ผู้อื่นมีความสุขได้ผู้ที่จะทำบุญทำทานได้จึงต้องมีเมตตาต่อผู้อื่นก่อนมีไมตรีจิตมีความปรารถนาดีมีความต้องการ ให้ผู้อื่นมีความสุขจากการกระทาของตนเพราะการมีความเมตตานี้จะทำให้ผู้มีความเมตตามีความสุขนั่นเองเวลาได้ทำประโยชน์ได้แผ่เมตตาให้กับผู้อื่นแล้วจะมีความสุขเกิดขึ้นภายในใจของตนเองผู้ที่มีเมตตานี้มีจะได้รับประโยชน์ หลายอย่างด้วยกันประโยชน์ข้อที่หนึ่งก็คือตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขสองนอนหลับไม่ฝันร้ายสาเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายสี่เทวดาจะปกป้องคุ้มครองรักษาห้าจะไม่ตายด้วยอาวุธหรือยาผิษ จะไม่ตายด้วยการกระทำของผู้อื่นจะตายแบบธรรมชาติตายเพราะแก่เจ็บตายไม่ตายเพราะถูกคนนั้นโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทเพราะผู้มีความเมตตาจะไม่ไปสร้างความทุกข์สร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนั่นเองห้าข้ออนิสงส ยไม่ตายด้วยยาพิษไม่ตายด้วยอาวุธต่างๆข้อที่หกจะมีหน้าตาผิวพรรณผ่องใสมีห่วงจุย้ยมีเาเรกวมีโง่แห้งคนที่มีเมตตาภาษาอังกฤษก็เรียกว่ามีคาลิชมาเป็นคนที่มีหน้าตาผิวพรรณที่เด่นกว่าผู้อื่น ใครเห็นแล้วก็อดที่จะเกิดความศรัทธาเลื่อมใสไม่ได้แล้วก็ถ้านั่งสมาธิข้อที่เจ็ดจิตก็จะสงบได้อย่างง่ายได้ข้อที่แปดถ้าถ้ายังไปไม่ถึงนิพพานตายไปก็อย่างน้อยก็ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆไปสู่สุคติ จะไม่ไปเกิดในอบายสำหรับผู้ที่มีความเมตตาแล้วก็ข้อที่เก้าจะมีเทวดาปกป้องคุ้มครองรักษาเทวดาจะคุ้มครองรักษา น, นี่คืออนิสงของการมีความเมตตาผู้ที่แผ่เมตตานี้ไม่ต้องการรับอะไรจากผู้ที่ตนแผ่เมตตาให้เพราะว่า การแผ่เมตตานี้มีประโยชน์อยู่ในตัวของมันเองแล้วประโยชน์ที่ไม่สามารถหาจากอะไรได้ในโลกนี้นอกจากการแผ่เมตตาอ น, นี่คือทำไมคนเราจึงแผ่เมตตากันเพราะแผ่แล้วจะมีความสุขจะมีความปลอดภัยจะมีความรู้สึกว่าจะปลอดภัยจาก การกระทำร้ายของผู้อื่นรู้ว่าไม่มีใครจะมาคิดร้ายกับตนยิ่งชอบแผ่เมตตาวิธีแผ่เมตตานี้ก็ต้องแผ่ด้วยการกระทาไม่แผ่ด้วยการสวดชาวพุทธเรานี้เข้าใจผิดกันคิดว่าการสวดบทแผ่เมตตานี้เป็นการแผ่เมตตา แต่ความจริงการสวดนี้เป็นการสอนหรือเป็นการเตือนใจให้รู้ว่าต้องแผ่เมตตาให้รู้วิธีแผ่เมตตาที่มีอยู่สีลักษณะด้วยกันคือหนึ่งอเวลาโหนตุไม่จองเวรจองกรรมอัปบบยาปชาโหนตุไม่เบียดเบียนกันสามอ อานิคาโหตุไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจของกันและกันสี่สุขีอัตตานังปรลิหารันตุให้ความสุขต่อกันและกันนี่เวลาสวดนี้ไม่ได้มีการกระทําเหล่านี้เป็นการสวดเฉยๆเวลาจะแผ่เมตตาต้องให้อาภายัยเช่นเวลาใครทำให้เราโกรธ เราก็ต้องให้อภัยไม่จองเวรถึงจะเรียกว่าแผ่เมตตาไม่ใช่นั่งสวดมนต์เสร็จแล้วก็สวดสัตเพสัตตาเอเวลาโหนตุขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่ามีเวรกันเถิดอันนี้เป็นความปรารถนายังไม่เป็นการกระทาการกระทาต้องทำตอนที่มีเหตุการณ์ทำให้เราโกรธทำให้เราคิดอาฆาตพยาบาท จองเวรจองกรรมต่อผู้อื่นตอนนั้นแหละเป็นเวลาที่ต้องแผ่เมตตาต้องระ ง, งับการจองเวรจองกรรมให้ได้ไม่ใช่สวดไปสวดไปพอใครด่าหน่อยก็โกรธขึ้นมาด่ากูกูก็ต้องด่ามึงอย่างนี้ไม่ได้แผ่เมตตาต้องเวลาใครด่าเราทาให้เราก oid สาธุสาธุไม่เป็นไร เราอาจจะพูดอะไรไม่ดีทำอะไรไม่ดีเขาเลยโกรธเขาเลยด่าเราเมื่อเขาอยากจะด่าก็าปล่อยเขาด่าไปก็ไม่เห็นเสียหายตรงไห น, นเสียงด่ามันก็ไม่มันก็เป็นแค่เสียงนั้นเองเหมือนเสียงลมพัดใช่ไได้ยินเสียงลมพัดทั้งวันไม่เห็นจะต้องไปจองเวรจองกรรมใครพอได้ยินเสียงคนด่าหน่อยทาไมต้องไปจองเวรจองกรรมเขาด้วยเนี่ยเยพราะว่าการ ไม่จองเวรจะทําให้เรารักษาความดีของเรานั่นเองถ้าเราจองเวรเดี๋ยวเราจะต้องไปทําร้ายเขาพอเราทําร้ายเขาเราก็กลายเป็นผู้ร้ายขึ้นมาเขาเป็นผู้ร้ายด้วยการด่าเราแล้วเราก็เลยไปทําร้ายไปจองไปด่าเขากลับเราก็เลยร้ายเท่ากับเขาถ้าเราไม่อยากจะร้ายเท่ากับเขาเราก็อย่าไปพูดอย่าไปด่ากลับะ อย่างเมื่อไม่กี่ปีมาก่อนที่มีเหตุการณ์ที่ขเมศเผาสถานทูตไทยถ้าคนไทยก็โกรธจะไปเผาสถานทูตขเมศที่กรุงเทพในหลวงรอกาท่านก็ออกมาพูดว่าตอนนี้เราเป็นคนดีนะเราไม่ได้ทำอะไรเขาถ้าเราไปเผาสถานทูตเขาเราก็เราก็ไม่ดีเท่ากับเขานะ พอในหลวงให้สติก็เลยยับยั้งกันเนี่ยในหลวงสอนให้แผ่เมตตาอย่าจองเวรกันสถานทูตเขาก็เผาไปแล้วมันก็ไปทำอะไรไม่ทำอะไรมันก็ไหมไปแล้วต้องดูว่าทำแล้วมันทำให้เราดีหรือเราชั่วถ้าทำแล้วให้เราชั่วทาไปทำไมทำแล้วต้องให้เราดี วิธีที่ทำให้เราดีก็คือไม่เผาสถานทูตเขาต้องให้อภัยเขาเนี่ยทุกวันนี้โลกเรานี้วุ่นวายกันเพราะไม่รู้จักการให้อภัยจองเวรกั น, เ, นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีกร ะ, ระเบิดตามโบสถ์ของชาวคริส เ, เพราะล้างแค้นพวกที่ พวกชาวคิดที่ไปค่าชาวมุสลิมที่ประเทศนิวซีแลนด์นะพวกเมื่อหลายเดือนก่อนมีคนคนในเอาปืนไปยิงคนในสหลาวตายห้าสิบกระสุนเป็นคนมุสลิมคนมุสลิมในสีร่างกาก็เลยคิดล่างแคน้นี่ก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันอีสเตอร์คนเข้าโบสเยอะ ก็เลยไประเบิดไปผีชีพถือกระเป๋าห้อยแบกกระเป๋าใส่ระเบิดเข้าไปในโบสแล้วก็ยอมผีชีพแล้วก็ทำให้คนตายสองสามร้อยคนวันนี้เป็นการล้างแค้นอันนี้มันไม่มีวันจบอะตอนนี้ก็พวกชาวมุสลิมในสีลังกาก็ไม่กล้าไปสู้เหล่ากัน กวเดี๋ยวจะถูกชาวคิดมาล้างแค้นกันอีกมีชาวพุทธเราเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีการล้างแค้นอะไรกับใครเพราะชาวพุทธเรามีการอบรมให้มีการแผ่เมตตาไม่ให้จองเวรจองกรรมกันอันนี้ครับศาสนาพุทธนี่จะเป็นศาสนาที่ไม่เป็นศาสนาที่รุนแรง ไม่มีการกระทาที่รุนแรง้าวพูดเรานี้ถ้าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จะไม่ทำร้ายผู้อื่นเพราะมีความเมตตาอานิคาโหตุจะไม่ทำให้ผู้อื่นเจ็บทางร่างกายหรือทางจิตใจทำร้ายทางร่างกายหรือทางจิตใจจะมีแต่คอยให้ความสุขแก่ผู้อื่น ชาวพุทธก็ไปช่วยสวนให้กำลังใจกับชาวคริสอันนี้ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เรามาเจริญเมตตาบารมีกันมีสี่วิธีด้วยกันหนึ่งอย่าจองเวรกันสองอย่าทำร้ายร่างกายและจิตใจของกันและกันสาม อย่าเบียดเบียนกันเบียดเบียนก็เช่นเวลาทำอะไรชอบกันแกล้งกันชอบรังแกงกันนี้ก็ถือว่าเบียดเบีย น, นกันละหรือไปทำร้ายร่างกายของเขาเห็นเขากำลังเจริญก้าวหน้าก็เลยไปขัดขวางเขาไปกันแกล้งเขาอันนี้ควรจะปล่อยให้เขาเจริญไปใครอยากเจริญใคร จะทําอะไรดีก็เป็นเรื่องของเขาไปอย่ามีความอิจฉาลิษยาอย่าไปกันแก้งอย่าไปกีดกันผู้อื่นหรือเรียกว่าอย่าไปเบียดเบียนกันอย่าทําร้ายร่างกายและจิตใจของผู้อื่นให้ความสุขแก่กันเวลาใครเขามีความทุกข์ก็ไปช่วยกันเวลาขาดแคลนอะไร เป็นไฟไหม้ขาดแขนเสื้อผ้าอาหารก็เอาอาหารเสื้อผ้าไปช่วยกันเรียกว่าให้ความสุขต่อกันอืมการกระทําเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นในขณะที่เรานั่งสวดแผ่เมตตาเข้าใจไหมเวลานั่งสวดนี้ไม่มีการกระทําเหล่านี้ <c oughs> จึงไม่ถือว่าการสวดบทแผ่เมตตานี้เป็นการแผ่เมตตาขอให้ท่านที่ คิดว่ากำลังแผ่เมตตาด้วยการสวดนี้ขอให้ทำความเข้าใจว่ายังไม่ได้แผ่ <c oughs> เพราะยังไม่ได้ทำอะไร <c oughs> เพียงแต่สวดการสวดนี้ถ้าจะได้ก็ได้สมาธิได้ความสงบเวลาสวดมนต์ไม่ว่าจะมนต์บทไหนก็ตามสวดไปแล้วจะทำให้ใจเราไม่ไปคิดถึงเรื่องต่าง ที่ทำให้ใจเราวุ่นวายทำให้ใจเราไม่สงบพอสวดไปนานๆใจก็จะหยุดคิดหยุดวุ่นวายได้ใจก็เข้าสู่ความสงบ่างนั้นการการสวดมดนต์นี้ไม่ว่าจะสวดบทไหนก็ตามสวดยอดประกันไตบิดกสวดพระสูตรนั้นสวดพระสูตรนี้สวดบทแผ่เมตตา สวดอะไรก็ตามร้อยแปดบทสวดนี่มีผลเหมือนกันคือจะทำให้ใจหายฟุ้นหายวุ่นวายหายฟุ้งซ่าน <c oughs> เพราะจะหยุดคิดถึงที่ทำคิดถึงเรื่องที่ทำให้วุ่นวายใจคิดถึงเรื่องที่ทำให้ฟุ้งซ่านนั่นเองแต่ไม่ได้เป็นการกระทําไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาแต่อย่างใดการแผ่เมตตาต้องทำในขณะที่ มีเหตุการณ์ปรากฏขึ้นมาเช่นเวลาไปทำงานไปพบปะคนนั้นคนนี้เขาอาจจะทำอะไรพิดพลาดเสียหายเช่นอาจจะเผลอเดินเหยียบเท้าเราโดยที่เขาไม่ตั้งใจหรือตั้งใจก็ตามถ้าเราโกรธนี้แสดงว่าเราไม่มีความเมตตาแล้วเราต้องดับความโกรธต้องไม่ ต้องไม่จองเวรต้องให้อภัยถึงจะเรียกว่าแผ่เมตตาเพราะการแผ่เมตตาจะทําให้ยุติปัญหาต่างๆได้ถ้าเราไม่แผ่ตอนที่เราโกรธเขาทําร้ายเราเราก็ไปทําร้ายเขาพอเราทําร้ายเขาเขาก็โกรธกลับกลับมาทําร้ายเราหนักกว่าเดิมอีกพเขาก็ทำร้ายเราหนักกว่าเดิมเราก็กลับไปทําร้ายเขาหนักยิ่งกว่าเดิมอีก เดี๋ยวก็เกิดการทุบตีการฆ่าฟันกันในที่สุดเนี่ย น, นี่คือทำไมเราจึงต้องมาแผ่เมตตาแผ่ด้วยการกระทำเพราะจะระ ง, งับปัญหาไม่ให้บานปลายนั่นเองอนนพอเขาทำอะไรไม่ว่าเขาจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็าตามเราอย่าไปตอบโต้นนเราเฉยๆให้อภัยเขา คิว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันบ้างแม้แต่ลิ้นกับฟันอยู่ด้วยกันบางทียังขบกันเลยบางทีเผลอฟันนี่ยังไปกัดลิ้นได้เเวลาฟันกัดลิ้นแล้วลิ้นอาคาดฟันหรือเปล่าลิ้นกับอาคาดไม่ได้ก็ต้องทําใจะต้องอยู่ด้วยกันะ ก็อยู่ได้การต่อไปได้ถ้าไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้อะไรจะคิดว่าเป็นการทำบุญทำทานก็ได้เอาถ้าเขาทำร้ายเรากันแกล้งเราแล้วเขามีความสุขก็ให้ยกให้เขาไปเราทำบุญมากกว่านี้เรายังทำได้บรยจากเงินเข้าของมีคุณค่ามากกว่าการ ที่การกระทําที่เขาทากับเราเรายังทําได้แล้วนับภาษาอะไรกับการกระทํำของเขาถ้าเขาทําแล้วเขามีความสุขก็ถือว่าเราก็แผ่เมตตาให้เขาไปเบางที่เราอยากให้คนอื่นมีความสุขเราก็ซื้อของให้เขาใช่ไหมเห็นเพื่อนวันเกิดะซื้อของขวัญมาให้เพราะอยากจะให้เขามีความสุขเนี่ยอันนี้ก็เป็นการแผ่เมตตา การให้ความสุขแก่ผู้อื่นนะการไม่จองเวรการไม่ทำร้ายผู้อื่นก็เหมือนกันก็เป็นการให้ความสุขกับผู้อื่นเพราะว่าเขาก็จะได้ไม่ต้องมากังวลกับเราเขาไม่ต้องมาเจ็บตัวเพราะเรานะนี่คือการแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่ใช่อยู่ที่ นอกเหตุการณ์ตอนที่เรานั่งสวดมนต์อยู่คนเดียวนี้มันไม่มีเหตุการณ์อะไรที่จะมาทำให้เราได้แผ่เมตตากันการสวดเป็นการคิดเฉยๆเหมือนเป็นการวางแผนวางแผนว่าเราต้องแผ่เมตตาแบบนี้นะเวลาใครมาด่าเราใครมาทำให้เราเจ็บช้าน้ำใจนี้เราต้องแผ่เมตตาด้วยการไม่จองเวรอันนี้ อาจจะเป็นการฝึกคิดไว้ก่อนล่วงหน้าก่อนเพราะถ้าเราไม่ซ้อมไว้ก่อนเดี๋ยวเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาอจะแผ้ไม่ออกนั่นเองแต่ถ้าเราคิดไว้ล่วงหน้าก่อนล้วต่อไปนี้ใครมาทำร้ายเราไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเราจะเอาโหสิทันทีเราจะ เ, าเราจะไม่จองเวรทันทีเราจะให้อภัยทันทีแล้วลองไปดูว่าถึงเวลาเกิดเหตุการณ์จริง ทำได้หรือไม่ถ้าเราทําได้ก็แสดงว่าเราได้แผ่เมตตาแล้วแล้วเราจะได้ไประโยชน์จากการแผ่เมตตาทันทีด้วยเพราะจะทําให้ไม่มีเรื่องมิลาวกันยาวถ้าไม่แผ่เมตตาไปอาฆาตปยาบาดไปตอบโต้เดี๋ยวเขาก็ตอบโต้กลับเดี๋ยวว่าดีไม่ดีภายในไม่กี่วินาทีก็ฆ่ากันตายได้ แล้วก็ต้องไปติดคุกยาวหลายปีด้วยกันอย่างนี้ดีไหมนี่คือการสวดนี่เป็นการวางแผนเตรียมการไว้ก่อนเตรียมการว่าเราจะแผ่เมตตาแบบไหนอย่างไรเจอเหตุการณ์แบบนี้ต้องแผ่อย่างไรถ้ามีการทำงานแข่งขันกันระหว่างที่ทำงานก็ทำแข่งขันกันตามกฎตามกติกา แข่งขันด้วยความดีอย่าไปแข่งขันด้วยการกันแก้งกันอย่าไปแข่งขันด้วยการรังแกกันอย่าไปแข่งขันด้วยการตัดทอนการก้าวหน้าของผู้อื่นอาจจะด้วยการกล่าวหาเขาโดยไม่มีเหตุไม่มีไม่มีมูลก็ได้ไปฟ้องเจ้านายว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ถำาไม่เจ้านายเกิดความไม่ไม่ไว้วางใจเคยคิดที่จะส่งเสริมก็อาจจะต้องชะ ง, งักไว้ก่อนอมีสี่ลักษณะอย่าจองเวรถ้าแข่งขันกันในหน้าที่การงานหรือไม่แต่แข่งกีฬาก็ให้เราแข่งกันตามกฎกติกา อ, อย่าเอา อ, อย่าเล่นโกงกัน อ, อย่า การโกงกันนี่ก็ถือว่าเป็นการเบียดเบียนกันชนะเขาด้วยการโกงนี่มันก็ถือว่าเบียดเบียนเขาแล้วอย่าเบียดเบียนกันแล้วก็อย่าทำร้ายร่างกายและจิตใจโกรธเขาอย่างไรก็อย่าไปทุบตีเขาอย่าไปพูดอย่าไปทำอะไรให้เขาเสียใจหูก ป, ปากดีกว่าเฉยๆดีกว่าทำอะไรก็ระมัดระวัง ไม่ให้เกิดการเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือเจ็บช้ำน้ำใจแล้วก็ถ้าอยากให้เขามีความสุขหาข้าวหาของหรือทำอะไรที่ทำให้เขาเกิดความสุขขึ้นมาถ้าเขาชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็หาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้เขาพอเขาได้สิ่งที่เขาชอบเขาก็จะมีความสุขขึ้นมา เขาเขามีความสุขจากการกระทาของเราเขาจะจาได้ทุกครั้งที่เขาเห็นเราเขาจะดีใจเขาจะรักเราชอบเราแต่ทุกครั้งที่เขาที่ถ้าเราไปทำร้ายเขาไปด่าเขาไปกันแกล้งเขาทุกครั้งที่เขาเจอเราเขาจะเกลียดเราเขาจะไม่พอใจนะนี่คือการจเจริญเมตตาบา ร, รมี ต้องทำอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ใช่ทำเฉพาะเวลาสวดมนต์เวลาสวดมนต์นี่ไม่ได้ทำเป็นเพียงแต่สวดและบางทีสวดแบบไม่รู้เรื่องด้วยสวดโดยไม่เข้าใจความหมายว่าแผ่เมตตายอย่างไรแผ่เมื่อไหร่แผ่ที่ไหนไม่รู้เรื่องสวดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรการสวดนี่เป็นเหมือนกับการวางแผน วางแผนว่าวิธีแผ่เมตตาเราจะแผ่อย่างไรแบบไหนเวลาใดเวลาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาควรจะใช้เมตตาแบบไหนควรจะให้อภัยหรือควรไม่เบียดเบียนหรือควรไม่ทำร้ายร่างกายหรือจิตใจหรือให้เขาให้ความสุขกับเขาเนีมันต้องรู้จักเหตุการณ์รู้จักเวลา เพราะการแผ่เมตตามันทำไม่ถูกเวลามันก็ไม่เกิดผลประโยชน์ขึ้นมา อ, มอย่างนั้นต้องรู้จักเรื่องของการแผ่เมตตาการสวนนี่ก็เพื่อเป็นการให้เราเตรียมการเอาไว้ก่อนเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ก่อนว่าเราต้องทำสี่อย่างเวลาที่เราเกี่ยวข้องกับคนห ร, รือสัตว์ ในราชาก็ตามอย่าจองเวณอย่าเบียดเบียนอย่าทำร้ายน้ำใจอย่าทำร้ายร่างกายให้ความสุขกับเขาทำอย่างไรทำร้ายเขามีความสุขทำไปเลยทำอย่างไรทำให้เขามีความทุกข์ห้ามทำอย่าทำฝึกทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วจะทำให้เรา มีเมตตาบามีขึ้นมาพอมีเมตตาบามีแล้วการที่จะสร้างบารมีข้อที่สองคือทานบามีก็จะทําได้อย่างง่ายดายเพราะเราไม่มีความเกลียดชังใครเราเมตตาความเป็นมิตรต่อผู้อื่นเราก็มีอะไรที่เราเหลือกินเหลือใช้เราก็เอาไปแจกให้ผู้อื่นเขา เวลาทำทานแล้วจะทำให้เรามีความสุขทำให้คนอื่นมีความสุขแล้วความสุขนั้นก็จะกลับมาหาเราเป็นการแผ่เมตตาแบบหนึ่งที่เรียกว่าสุขีอตานังปริหารันตุให้ความสุขแก่ผู้อื่นการจะให้ผู้อื่นมีความสุขให้ด้วยการทำทานทานที่จะให้ก็มีอยู่สามลักษณะด้วยกัน วัตถุทานวิทยาทานธรรมทานเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะทำให้ผู้อื่นได้รับความสุขจากการกระทำของเราถ้าเรามีเงินทองแทนที่จะเอาไปซื้อความสุขให้กับเราเราเอาเงินนี้ไปให้ซื้อความสุขให้แก่ผู้อื่นจะดีกว่าเพราะเราจะได้ประโยชน์สองต่อจะเกิดประโยชน์สองต่อ ประโยชน์แรกคือผู้อื่นจะได้รับความสุขจากการให้ทานของเราประโยชน์ที่สองใจของเราก็จะได้รับความสุขจากการให้ทานของเราแล้วก็จะทำให้ผู้ที่ได้รับความสุขจากเราเป็นมิตรกับเรารักเราชอบเราและอาจจะมาปกป้องรักษาเราต่อไปก็ได้ คนในเวลาเรารักใครมากๆนี้เราอยากจะคอยปกป้องรักษาเขาแต่คนที่เราไม่รักนี้เราจะไม่คิดไปปกป้องรักษาเขาคนที่เรารักนี้เราอยากจะปกป้องรักษาว่เาเขาเป็นคนดีเขาทำคุณทำประโยชน์เราก็อยากจะให้เขาปลอดภัยนะ ดังนั้นการทำทานนี่จะทำได้ก็เราต้องอย่าไปเอาเงินไปใช้ในทางที่ผิดเนเราคิดว่าเงินทองนี่มีไว้ซื้อความสุขแต่ความสุขมีสองแบบความสุขแบบยาเสพติดกับความสุขแบบเป็นอาหารเราต้องไปซื้อความสุขแบบเป็นอาหารเพราะไม่มีพิษมีภยัยมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์ ถ้าไปซื้อความสุขแบบยาเสพติดมันมีพิษมีภัยเพราะมันจะทำให้เราติดแล้วเสพเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแต่ถ้าเอาเงินไปซื้อความสุขแบบอาหารนี่มันไม่มีพิษมีภัยมีแต่คุณประโยชน์มันจะทำให้จิตใจอิ่มเอิบมีความสุขมีความพอไม่หิวโหยกับสิ่งต่างๆไม่หิวโหยกับความสุขในรูปแบบอื่น ดังนั้นถ้าเรามีเงินเราชอบเอาเงินไปเที่ยวเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยของหรูหราเนี่ยเปลี่ยนน้องเอาเปลี่ยนมาซื้อเอามาทาบุญดูแล้วเราจะเห็นผลแตกต่างกันเหมือนฟ้ากับดินความสุขที่เราได้จากการทําบุญทําทานกับความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยไปซื้อของหรูหรานี่ย มันสู้ความสุขที่ได้จากการทำบุญไม่ได้มันความทาบุญมันทำให้เราอิ่มทำให้เราพอทำให้เรารู้สึกไม่หิวโหวยกับสิ่งต่างๆแต่ถ้าเอาเงินไปเที่ยวเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยเอาเงินไปซื้อของหรูหราเนี่ยมันจะติดมันจะอยากซื้ออยู่เรื่อยๆซื้อเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ จะหิวอยู่เรื่อยจะอยากอยู่เรื่อยจะมีความรู้สึกเหมือนกับคนไม่ได้กินอาหารคนติดคนเสพยาเสพติดนี้ไม่ได้กินอาหารคนกินอาหารนี้จะมีความอิ่มแต่คนติดยาเสพติดถึงแม้จะมีความสุขก็เป็นความสุขเหน๋ยวเดียวแต่มันจะทำให้มีความหิวมีความอยากอยู่เรื่อยๆนี่คือ วิธีการทำบุญถ้าเราไม่ทำแบบนี้เราจะอ้างว่าไม่มีเงินทำบุญเพราะเรามักจะเอาเงินไปเที่ยวกันมากกว่าไปดูสังคมปัจจุบันนะคนที่ทำมาอากิานเงินเขาจะไม่มีเขาจะมีเขาจะทำเรียกว่าอะไรงบประมาณใช้ใจ่ายเขาจะมีงบประมาณใช้ใจ่ายสำหรับค่าอาหารค่าที่พักค่า อะไรไว้เลี้ยงดูร่างกายอีกส่วนหนึ่งก็มีไว้สำหรับบันเทิงมีไว้สำหรับท่องเที่ยวมีไว้สำหรับซื้อของอหรูหลาของฟุ่มเฟือยต่างๆแต่เขาจะไม่มีงบไว้สำหรับทำบุญกันพวกต่างชาติที่มาปฏิบัติธรรมในเมืองไทยนี้จะไม่มีเงินทาบุญกันเพราะเขาไม่มีงบอยู่ในรายจ่ายของเขา เขามีงบค่าเครื่องบินมีงบค่าอาหารมีงบค่าอะไรแต่เขาไม่มีงบทำบุญเขาก็เลยไม่ได้ทำบุญกันแต่เราชาวพุทธนี้พระพุทธเจ้าสอนว่าให้เราทำบุญทำงบแบบชาวพุทธคือเอางเงินส่วนหนึ่งเอาไว้สำหรับเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเอาไว้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟค่าอะไร ส่วนงบเที่ยวนี้ตัดทิ้งไปให้หมดงบของฟุ่มเฟือยตัดทิ้งไปไม่จําเป็นของพวกนี้ไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจกลับเป็นโทษเพราะมันเป็นเหมือนยาเสพติดงบท่องเที่ยวงบซื้อของขวัญซื้ออะไรต่างๆของฟุ่มเฟือยต่างๆของหรูหราต่างๆตัดทิ้งไปให้หมดเอาเอาเอาเงินที่จะใช้กับพวกนี้มาใส่งบของการทําบุญ คนไทยเราส่วนใหญ่จะทําบุญกันมากกว่าเที่ยวกันคนชาวพุทธนี้จะเที่ยวน้อยจะทําบุญกันถ้าจะเที่ยวก็เที่ยวในรูปแบบของการทําบุญไปเที่ยวอินเดียไปทําบุญหรือไปชาวสิงคโปร์มาเลย์ก็มาเมืองไทยแต่มาเที่ยวตามวัดไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนนี่เขามาจะงานฉลองประจาปีของวัดสโสการาม มีงานฉลองประจำปีสามวันในเดือนเมษาครบวันครบรอบหอวงท่านพ่อลีผู้ก่อตั้งวัดโสการามเขาเที่ยวแบบนี้เขาเที่ยวแบบทำบุญเขาเอาเอาบุญเป็นเหตุแล้วก็สายการไปทำบุญนี้ได้โอกาสได้ไปเที่ยวด้วยเหมือนชาวไทยเราช่วง งานทอดกรถินนี่ก็ชอบไปทําบุญต่างจังหวัดกันไม่ชอบทําบุญวัดใกล้บ้านเพราะมันไม่ได้เที่ยวแต่ถ้าไปทําวัดต่างจังหวัดไปไกลๆนี้มันได้ไปเที่ยวด้วยได้นั่งรถไปทเที่ยวไปดูไปเห็นอะไรแต่เป้าหมายหลักก็คือไปทําบุญ แล้วก็เอาการไปเที่ยวเป็นของแถมนิดหน่อยเป็นของล่อใจสำหรับคนบางคนที่ถ้าให้ไปทำบุญอย่างเดียวแล้วไม่อยากไปก็ให้มีที่ไปเที่ยวด้วยอันนี้นี่คือลักษณะของชาวพุทธในเรื่องของการใช้เงินทองที่ที่เหลือจากการเอามาใช้กับสิ่งที่จำเป็นคือปัจจัยสี่ พอมีงานเหลือก็คิดจะทําบุญกันส่วนใหญ่ทําบุญทําทานแล้วก็อาจจะไปทําบุญที่ไกลๆหน่อยจะได้ไปเที่ยวด้วยเช่นช่วงนี้คนไทยเรานิยมไปเที่ยวอินเดียกันะไปทําบุญที่อินเดียกันไปที่สังเวชนียสถานไปกราบพระพุทธเจ้าไปดูที่ประสูตรดูที่ตัชรูุดูที่ แสดงทำครัง้งแรกอยู่ที่บรลนิพานอันนี้เป็นการสวงบุญแล้วก็ได้เที่ยวประเทศอินเดียไปในตัวด้วยได้ไปเห็นการกินอยู่อะไรต่างๆของชาวอินเดียนี่คือลักษณะของการใช้เงินของชาวพุทธจะใช้เงินเพื่อการทำบุญมากกว่าที่ ที่วัดต่างประเทศที่อยู่ได้ไม่ใช่เพราะชาวต่างประเทศที่อยู่ได้เพราะชาวไทยชาวชาวพุทธที่อยู่ในแถบเอเชียเช่นชาวลาวชาวกเมนชาวไทยไปตั้งลกลากอยู่ที่เมืองนอกกันแล้วก็เลยอยากจะมีวัดกันพอตั้งวัดเขาก็ไปทำบุญกันไปคอยเลี้ยงพระคอยดูแลพระถ้ารอให้ฝรั่งไปเลี้ยงรับรองได้อดตาย เพราะเขาไม่มีพวกฝรั่งนี้เขามาศึกษาธรรมะเขาเอาธรรมะขั้นสูงเลยเขาจะภาวนาอย่างเดียวเขาจะไม่สนใจเรื่องทานหรือบางทีเรื่องศีลเขาไม่รู้รักษากันบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะเขาอยากจะฝึกสมาธิเพื่อคลายความเครียดเพราะว่าในโลกในสังคมเขาทั้งวันนี้เครียดกันมาก เครียดเรื่องเงินนี่แหละเรื่องใช้เงินไม่เป็นนี่เองหาเงินได้เท่าไหร่ก็ไปใช้กับของฟุ่มเฟือยมันจึงไม่พอใช้พอเวลาขาดเงินขาดทองขึ้นมาก็เครียดกันะเพราะว่ามันพอใช้เงินกับการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายแล้วมันจะติดเวลาขาดเมื่อไหร่มันจะเหมือนคนคนอดยาคนติดยาแล้วไม่ได้เสพยา มันถึงเครียดกันทํางานทําการก็เครียดกับการงานเพราะว่าถูกการกดดันให้ทํายอดทําอะไรต่างๆให้ได้ตามที่ตั้งเป้าไว้ถ้าไม่ได้เดี๋ยวกลัวจะถูกออกจากงานเขาก็เลยมาพึ่งการฝึกสมาธิของของทางชาวพุทธเ่าแต่ก็ไม่ได้มาฝึกสมาธิแบบเพื่อที่จะมาฆ่ากิเลสมาฆ่าตัณหาความอยาก เขามาฝึกสมาธิเพื่อคลายความเครียดเพื่อที่เขาจะได้กลับไปาทาอะไรตามความอยากของเขาต่อไปอันนี้จึงไม่ได้เป็นการเข้าหาพุทธศาสนาอย่างถูกต้องตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เข้าหากันการเข้าหาพระพุทธศาสนานี้ต้องการที่จะให้เรากาจัด ต้นเหตุของความเครียดที่แท้จริงก็คือความอยากต่างๆความอยากมีความสุขทางร่างกายก็เลยทำให้เราเครียดเพราะร่างกายมันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนวันดีคนดีมันอาจจะไ ม, ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเราก็ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะทำให้การหาความสุขของเรายากลาบาก ทำให้เราไม่สามารถไปทำงานหาเงินหาทองได้พอไม่มีเงินไม่มีทองก็จะเครียดเพราะจะไม่มีเงินไปซื้อความสุขต่างๆนั่นเองแต่ถ้าเรามาฝึกสมาธิเพื่อกำจัดความอยากนี่เราก็จะไม่เครียดเพราะต่อไปเราจะไม่มีความอยากแล้วเวลาที่ ใจเราเครียดเราก็สามารถใช้สมาธิระงับไว้ชั่วข่าวก่อนแต่เป้าหมายเราต้องการกำจัดความเครียดอย่างถาวรการที่จะกำจัดความเครียดอย่างถาวรได้ก็ต้องกำจัดด้วยปัญญากำจัดด้วยสมาธิและปัญญาสมาธิก็จะหยุดความเครียดไว้ชั่วข่าว แล้วพอความเครียดโผล่ขึ้นมาก็ใช้ปัญญามาทำลายมันต่อเพราะสมาธิไม่สามารถทำลายความเครียดได้เพียงแต่หยุดความเครียดไว้ก่อนพอหยุดได้แล้วทีนี้ก็มาใช้ปัญญามาทำลายต้นเหตุของความเครียดก็คือความอยากต่างๆพอใช้ปัญญาก็จะสามารถทำลายความอยากได้ ความอยากมันเกิดจากความหลงต้องใช้ปัญญาคือความจริงมาแก้ความหลงที่คิดว่าการหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นวิธีกำจัดความเครียดเป็นวิธีให้ความสุขแต่ความจริงมันเป็นวิธีสร้างความเครียดมากกว่าต้องกำจัดมันด้วยการยุติ ความอยากที่จะไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้พอยุติความอยากที่จะหาความสุขได้ความเครียดก็จะหายไปเพราะว่าจะสามารถอยู่เฉยๆได้ยังมีความสุขใจที่ปราศจากความอยากแล้วจะไม่มีความเครียดจะเป็นใจที่มีแต่ความสุขมีความสงบตลอดเวลานั่นเองนี่คือ สิ่งที่เราจะต้องไปปฏิบัติให้ได้แต่ก่อนจะไปถึงขั้นนั้นได้เราต้องผ่านขั้นเมตตาให้ได้การต้องมีความเมตตาเพราะไม่มีความเมตตาเดี๋ยวก็ติดอยู่กับปัญหาคนนั้นคนนี้ทะเลาะกับคนนั้นคนนี้มีเรื่องมีราวกับคนนั้นคนนี้จะไม่สามารถที่จะไปทำทานได้ทำทานเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้ ยุติความอยากเที่ยวอยากหาความสุขอยากสิ่งต่างๆเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปหาเงินมากๆถ้าหาเงินก็หาเพียงพอพอต่อการเลี้ยงชีพก็พอถ้าเราหาเงินไม่มากเราก็ไม่ต้องทํางานมากเราก็จะได้มีเวลาไปหัดเป็นนักบวชได้ไปหัดไปอยู่วัดไปถือศีลแปดไปหัดฝึกสมาธิได้ก่อน ทำตอนที่เรายังเป็นผู้ของเรือนก่อนเป็นคาราวะาก่อ น, อนทําไปก่อนต่นอไปเราก็จะเพิ่มวันไปอยู่วัดได้มากขึ้นมากขึ้นจนเรามีความมั่นใจว่าเราบวชได้เราก็ไปบวชเลยพอเราบวชแล้วทีนี้แสดงว่าเรามีบารมีนะ้เรามีบารมีที่จะปฏิบัติเพื่อให้เกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาได้ เพราะการที่จะทำให้มีมากผลนิพพานนี่ต้องอยู่แบบนักบวชต้องไม่มีกิจกรรมอย่างอื่นทำมีแต่กิจกรรมคือเดินจงกรมนั่งสมาธิเท่านั้นเดินจงกรมเพื่อจเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบแล้วก็มาจเจริญปัญญาต่อเพื่อให้เกิดปัญญาให้เห็นว่า สิ่งความอยากสิ่งต่างๆที่ความอยากต้องการนั้นมันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุข้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าเราไปสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้เราอยากให้สิ่งนี้ให้ความสุขกับเราไปตลอดแต่มันไม่สามารถให้ความสุขกับเราไปตลอดได้เพราะมันไม่เที่ยงมันจะต้องเปลี่ยนหรือมันจะต้องหมด เ ง, เงินทองเราได้มาแล้วเราบอกว่าได้เงินทองมาแล้วต้องให้มันอยู่เท่าเดิมมันจะอยู่เท่าเดิมได้อย่างไงถ้าเราต้องการถ้าเราต้องเอาไปใช้เพื่อให้ความสุขพอใช้เงินทองมันก็หมดนีมันหมดมันก็ทำให้เราเครียดและพอเงินทองไม่ไม่พอใช้ก็ทุกข์ขึ้นมาและเครียดขึ้นมาละแต่ถ้าเราไม่ใช้เงินทองเราก็ไม่เครียดกับเงินทองเราไม่ใช้เงินทองก็ต้องไม่มีความอยากที่จะหาความสุข ด้วยการใช้เงินทองหาความสุขด้วยการทำใจให้สงบ ก, กลับมาอยู่ที่สมาธิมาฝึกสมาธิทำสมาธิพอมีสมาธิแล้วใจก็ไม่หิวแล้วอยู่เฉยๆก็มีความสุขได้ถ้าเกิดความอยากขึ้นมาก็ใช้ปัญญากำจัดมันไปเพราะสมาธิไม่สามารถที่จะไปกำจัดความอยากได้สมาธิเป็นเพียงแต่กดมันไว เหมือนหินทับหญ้าเวลาเราหินไปทับหญ้าหญ้ามันก็งอกขึ้นมาไม่ได้แต่ถ้าเกิดใครไปหยิบเอาหินออกเดี๋ยวงอกหญ้ามันก็งอกขึ้นมาใหม่ได้แต่นด้เวลาเราเข้าสมาธิเราก็หยุดความอยากต่างๆได้แต่พอเราออกจากสมาธิเราก็ต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอคิดแล้วเดี๋ยวก็มีความอยากโผล่ขึ้นมาพอโผล่ขึ้นมาใจก็เริ่มเครียดแล้ว ถ้าไม่อยากให้เครียดก็เอาปัญญามาสอนใจว่าไม่มีอะไรที่ความอยากต้องการนั้นเป็นสุขหรอกมันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันเป็นสุขเดียวเดียวสุขแล้วเดี๋ยวมันจะต้องหมดไปหมดไปแล้วมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าอยากจะมีความสุขก็กลับไปในสมาธิดีกว่าให้ทำอย่างนี้ไปทุกครั้งที่เกิดความอยากกาจัดความอยาก อย่าไปทำตามความอยากต่อไปความอยากมันก็หมดกำลังนี่คือแต่ก่อนที่เราจะมาบวชได้เราต้องมีบุญบา ร, รมีที่สนับสนุนการบวชก่อนเราต้องมีเมตตาบา ร, รมีเพื่อที่เราจะได้ทำแต่ความสุขให้แก่ผู้อื่นถ้าเรามีเมตตาบา ร, รมีเราก็จะทำบุญทาทานได้แทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวไปหาความสุขแบบ ยาเสพติดเราก็มาหาความสุขแบบอาหารดีกว่าเพราะว่าการทําบุญทําทานจะทําให้เราอิ่มใจสุขใจทําเสร็จแล้วก็อยู่บ้านเฉยๆได้ไปเที่ยวกลับมาอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ไปเที่ยวกลับมาแล้วเดี๋ยวอยากออกเองแล้วะต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขด้วยการจากการใช้เงิน แล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องใช้เงินมากเพราะเมื่อใจเรามีความอิ่มความสุขแล้วก็ไม่ต้องทําบุญก็ได้ทําบุญเพื่อให้เกิดความอิ่มความสุขแล้วก็ไปหาบุญอย่างอื่นต่อดีกว่าเพราะความสุขที่ได้จากการทําบุญมันยังไม่มากเหมือนกับความสุขที่ได้จากการรักษาศีลความสุขที่ได้จากการไปนั่งสมาธิทําใจให้สงบความสุขที่ได้จากการกําจัด ความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจเป็นความสุขที่ร้อยเปอร์เซ็นตเป็นความสุขที่ถาวรต่อไปนี่เป็นขั้นตอนของการเข้าสู่ขบวนการที่จะพาให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันให้เราได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพระสกิฎาคามีพระอนาคามีพระอารหันต์กันเราจำเป็นจะต้องสร้างบุญบรารมี ถ้าเรายังไม่มีถ้ามีแล้วเราก็ไม่ต้องคนที่บวชได้แล้วอยู่แบบนักบวชได้ก็ถือว่ามีบุญบรารมีมาแล้วไม่ติดเที่ยวไม่ติดความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายสามารถอยู่บ้านเฉยๆปฏิบัติธรรมได้นั่งสมาธิได้เดินจงกรมเจริญสติได้อ่านหนังสือธรรมะฟังธรรมได้ถ้าอยู่กับการปฏิบัติเหล่านี้ได้ก็ถือว่า มีบารมีแล้วมีบารมีที่จะก้าวสู่ขึ้นสู่โลกุตตระธรรมคือการปฏิบัติเพิ่ ม, มบรรลุมากผลผนิพพานได้อย่างได้อย่างแน่นอนนะดังนั้นถ้ายังทำแบบนี้ไม่ได้ยังอยู่บ้านยังอยู่บ้านอยู่วัดไม่ได้ยังปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่ได้ก็ต้องมาทบทวนดือวว่าเรามีความเมตตาหรื อ, อยัง เรายังอาฆาตพยาบาทอยู่หรือเปล่าเรายังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่หรือเปล่าเรายังทําให้ผู้อื่นเขาทุกข์ใจทุกข์ใจอยู่หรือเปล่าเรายังเราให้ความสุขกับผู้อื่นได้หรือเปล่าน้องทบทวนดูถ้ายังทําไม่ได้ก็ต้องมาหัดทําให้ได้ก่อนเว่าเราคิดว่าเราทําได้เราก็พิสูจน์ด้วยการทําบุญะ ถ้าเราให้ความสุขกับผู้อื่นได้เราทำบุญได้หรือไม่แทนที่จะเอาเงินไปซื้อไปเที่ยวอะไรเอาเงินไปเที่ยวนี้ไปทำบุญได้หรือไม่แทนที่จะเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยของหรูหราเอาไปทำบุญได้หรือไม่อันนี้จะเป็นการพิสูจน์ว่าเรามีความเมตตาจริงหรือไม่ถ้าทำได้ก็แสดงว่าเรามีความเมตตาเมื่อเราทาทานได้เราก็จะรักษาศีลห้าได้ รักษาศีลห้าได้ต่อไปเราก็จะรักษาศีลแปดได้รักษาศีลแปดได้เราก็จะต่อไปก็บวชได้พอบวชได้ก็จ ะ, จะเจริญสตินั่งสมาธิจเจริญปัญญาได้พอได้จเจริญสติสมาธิปัญญาเดี๋ยวก็หลุดพน้นบรรลุมรรคผลนิพพานได้ ปัจเป็นพระโสดาบันมนุษย์เป็นพระ ส, ก, ระสะกิดาคามีพระอนาคามีพระอาหารหันต์ตามลําดับต่อไปได้มันเป็นขั้นตอนเหมือนกับการเรียนหนังสือถ้าเรียนตามขั้นตอนมันมันสำเร็จถ้าเริ่มเรียนก็เรียนที่อนุบาลแล้วก็ขึ้นปรถมปรถมก็ไปมัธยมแล้วเดี๋ยวก็ไปปริญญาตีโทเอกของมันเองแต่ถ้าจะมาข้ามขั้นจะมาเรียนปริญญาเลยโดยที่ยังไม่ได้ผ่าน มัธยมผ่านประถมมันก็เรียนไม่ได้เรียนก็เรียนก็ไม่ได้ผละมันต้องเรียนตามขั้นตอนเพราะว่านี่มันเป็นเรื่องของการพัฒนาการของจิตใจมันต้องมีขั้นมีตอนแม่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะมาสอนขั้นตอนเหล่านี้ทําไมเพราะมันเป็นขั้นบันไดที่เราจะต้องผ่านกันนั่นเอง ฉะนนขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าอยากจะปฏิบัติทำขั้นสูงก็ไปบวชเลยไปบวชแล้วดูซิอยู่ได้หรือบวชแล้วปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ก็กลับมาเป็นคาลว่าตก่อนอมาแผ่เมตตามาเจริญเมตตาก่อนมาทำทานก่อนมารักษาศีลห้าก่อนอแล้วไปอยู่วัดเป็นพักพัๆดูก่อนอ มันต้องมีการพัฒนาเป็นขั้นเป็นตอนไปบางคนคิดว่าบวชได้ก็มาบวชบวชได้ไม่กี่เดือนก็เสึกกัน ไปไม่กี่ครั้งออก็กลับมาลองใหม่อีกกลับมาลองอีกก็เสกกอีกถ้าบารมีมันไม่พอมันอยู่ไม่ได้หรอกอยู่แล้วเดี๋ยวมันเจอความทุกข์เจออะไรขึ้นมามันก็สู้ไม่ไหวสู้กิเลสไม่ไหวไม่ใช่สู้อะไรความทุกข์มันเกิดจากกิเลสความอยากต่างๆยังอยากไปเที่ยวยังอยากไปหาเพื่อนหาฝูงอยู่อยากจะไปกินไปดืม่มกับเพื่อนกับฝูงอยู่เดี๋ยวมันก็ทนอยู่ไม่ได้ อันนี้คือเรื่องของการพัฒนาจิตใจให้ก้าวขึ้นสู่ความเป็นพระอริยบุคคลต้องผ่านการสะสมบุญบา ร, รมีมาก่อนต้องมีเมตตาบา ร, รมีมีทานบา ร, รมีมีศีลบา ร, รมีมีเนคข ม, ม, รรมักบารมีถึงจะสามารถก้าวขึ้นสู่ระดับของนักบวชก้าวสู่ระดับปฏิบัติอย่างเต็มร้อยแบบมืออาชีพได้ อย่างนั้นก็ถ้าท่านต้องการมรรคผลนิพพานต้องการหลุดพ้นต้องการเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆก็ให้ตรวจดูตุที่กำลังของตนเองว่าตอนนี้มีอะไรบ้างไม่มีอะไรบ้างถ้าส่วนไหนไม่มีก็เติมมันเสียแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีขึ้นมาแล้วมันก็จะทำให้เราก้าวหน้าต่อไปได้การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จขออนุโมทนาให้พรอยะท้าวไรวาหาปุราปาริกปุเรนติสาขหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปักปัดีอิชีต่างปฏิต่างตุมหังคิปเปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกบา จันโทปนาราโสยถามณิโชติอาราโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตปวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวา อเิวาทนาสีิตสานิจังวุธาปจายโนจัตตารธรมมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลางังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ <c oughs> วันนี้ทางเฟ e บุ o k เข้ามาสามร้อยหกสิบหกยูท หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดวิทยุออนไลน์สามสิบรับฟังข้างบนนี้สามสิบแปดคนรวมทั้งหมดหกร้อยสิบสองครับโอเคเหลืออีกห้าหกนาทีเอาคำถามทางบ้านหน่อยคำถามจากคุณสุรินถ้าวันหนึ่งหนึ่งเราสวดมนต์ภาวนาและนั่งมองภายในตลอด ส่วนใหญ่จะรู้สึกตัวตลอดว่าทำอะไรบางช่วงขณะก็มีใจปรุงแต่งหรือบางเวลาก็คิดถึงเรื่องราวเก่าๆที่เกิดขึ้นก็จะดึงใจมาอยู่กับปัจจุบันตลอดเข้าออกกายจิตทุกขณะแบบนี้เราจะเจริญในธรรมของพระพุทธองค์อย่างไรได้อีกเจ้าคะอ๋อเราต้องดูกิเลสอย่าไปดูอะไรดูใจนี่ต้องดูกิเลสหรือว่าตอนนี้โลภโกรธหลงหรือเปล่า ดูว่าตอนนี้มีการมาตัญหาภาวะตัญหาวิภวะตัญหาหรือเปล่าถ้ามีต้องกำจัดมันด้วยสติหรือด้วยปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งถึงจะเจริญก้าวหน้าได้ถ้าดูเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนี่ดูไปไม่มีประโยชน์อะไรพเพราะมันเป็นเรื่องปกติของใจที่มันจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วสิ่งที่เราต้องการกําจัดก็คือกิเลสตัณหาถ้ามันโผล่ขึ้นมาเราต้องหาวิธีกําจัดมันด้วยสติหรือด้วยปัญญาถ้ากิเลสโผล่ขึ้นมาเพราความโกรธโผล่ขึ้นมาถ้าเรายังใช้ปัญญาไม่ได้ก็ใช้สติไปก่อนพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธเดี๋ยวความโกรธนั้นก็จะหายไป ถ้าเราใช้ปัญญาได้ก็พิจารณาว่าสิ่งที่เราโกรธเป็นไตรลักษณ์ น, นิจังทุกขังอนัตตาอย่าไปยุ่งกับมันเราไปควบคุมไปสั่งไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะพูดเขาจะทำอะไรเราไปสั่งไม่ได้ถ้าเราไม่ไปอยากให้ก็พูดเขาทำอะไรแล้วเราก็จะไม่โกรธเขา น, นี่ต้องดูอย่างนี้ปฏิบัติการปฏิบัตินี้ต้องการจะกาจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่าง ในการทำําจัดได้ก็ด้วยปัญญาหรือด้วยสติคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามดิฉันไม่มีเงินทําบุญเลยมาทํา a c e b o o k เพื่อบอกบุญเวลามีคนมาทําบุญตามที่ลงไปใน Facebook ไม่ทราบว่าจะได้บุญไหมคะและถ้าไม่มีคนทําบุญเลยแต่แชร์จะได้บุญไหมเจ้าคะ บุญมันไม่ได้เป็นของเราคนคนแท้คนที่เขาทาบุญเขาก็จะได้บุญเราก็ได้เพียงแต่เป็นผู้ชวญเชิญให้เขามาทําบุญงั้นอย่ามาเสียเวลากับการทําบุญถ้าเราไม่มีเงินทําบุญก็ไปรักษาศีลไปนั่งสมาธิจะดีกว่าหรือถ้าเรามีอย่างอื่นให้เราค่อยเราให้อย่างอื่นก็ได้เช่นเรามีความรู้ เราก็มาสอนพิเศษให้กับคนที่ก็อยากจะเรียนโดยที่ไม่คิดเงินทองก็ได้ก็จะได้วิทยาทานถ้าไม่มีวัตถุทานไม่มีเงินให้ข้าวของเงินทองก็ให้วิทยาศานรถ้าไม่มีเงินเลยก็ไม่ต้องทำทานเมื่อไม่มีอะไรจะให้ก็จบที่มีนี่มีไว้สาหรับกาจัดกิเลส เวลามีเงินแล้วจะเอาเงินไปเที่ยวถึงจาให้เอาเงินที่ไปเที่ยวนี้มาทาบุญทาทานแต่ถ้าไม่มีเงินเที่ยวไม่มีเงินใช้ซื้อของฝุ่มเฟือยไม่มีเงินใช้ซื้อของหรูหราก็ไม่ต้องทำบุญไปฝึกสมาธิได้เลยไปนั่งสมาธิไปอย่าไปเสียเวลาทำงานหาเงินเพื่อมาทำบุญอันนี้เป็นการวนอยู่ในอ่างการทาบุญนี้เพื่อกาจัดการใช้เงินในทางที่ไม่ถูก ในทางที่จะเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจเคอใช้เงินเพื่อสร้างกิเลสตัณหาขึ้นมาอย่าไปใช้เงินตามกิเลสความต้องการของกิเลสตัณหาถ้าไม่มีเงินใช้ก็ดีจบไปนั่งสมาธิได้เลยไปรักษาศีลได้เลยคําถามต่อไปจากคุณการการฟังธรรมหรืออ่านหนังสือธรรมะจนเข้าใจซาบซึ้งมีความสุข กับธรรมะที่ได้จากการฟังและการอ่านโดยไม่ต้องนั่งสมาธิหาความสงบสามารถบรรลุธรรมไปเกิดในฝ่ายดีได้ไหมครับในโลกหน้าออต้องกําจัดกิเลสให้ได้ถึงจะถึงจะบรรลุธรรมได้ถ้าฟังธรรมมันก็สงบชั่วขณะมีความสุบชั่วขณะฟังธรรมเดี๋ยวพอไปทํานู่นทนํานี่เดี๋ยวกิเลสก็โผล่ขึ้นมาเดี๋ยวความโลภความโกรธความหลงก็โผล่ขึ้นมา ต้องกำจัดความโลภความโกรธความหลงให้มันหมดไปจากใจเท่านั้นถึงจะบรรลุธรรมได้ถึงจะไปสู่พระนิพพานได้คําถามหนึ่งนะคําถามจากคุณสันพบการเกิดเป็นบุตรและมารดานี้เนื่องเพราะเคยสร้างกุศลมาด้วยกันใช่ไหมครับแล้ววิบากกรรมบางอย่างสามารถรับแทนกันได้ไหมครับ เพราะสังเกตว่าช่วงเข้าสู่ความสูงวัยคุณแม่ได้รับผลบางอย่างตัวเราเองก็ได้รับผลนั้นเหมือนกันเช่นป่วยเป็นโรคบางอย่างอาการคล้ายกันอยากให้พระคุณเจ้าช่วยชี้แนะวิบากกรรมของใครของมันมันไม่รับแทนกันไม่ได้แต่อาจจะเหมือนกันได้เพราะว่าถ้าเป็นแม่ลูกกันอาจจะมีกรรมพันทาให้มีโรคแบบเดียวกันได้ดังั้นแต่เรื่องของวิบากนี้ มันแล้วแต่ใครทำอะไรมาก็จะต้องรับวิบากของของของตอนไปไม่เหมือนกันเนี่ยถ้าเหมือนกันมันทางร่างกายมัน จ, จะเป็นเรื่องของกรรมาพันธ์โอเคนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป Turn.